50 languages. Hock si gao. Arubati on bade. த u n g ดิฉันอยากนอนนอนตู้งวิริมบิขิดที่นี่มีเตียงไหมยังก็ยึดมุ่งพอดกิกกยอิริกิระดาดิฉันต้องการโคมไฟเยนกกโอเรวิลกกเตเวยดิฉันอยากอ่านหนังสือนอนปอดิกก์วิริมบิขิด ที่นี่มีโคมไฟไหมยังไงเยวต้วิลักก์ยูริกระดะดิฉันต้องการโทรศัพท์เยนกกูุรุตเลเปซี่เ ต, เตเวดิฉันอยากโทรศัพท์น้องเลเปซี่ไ อ, อุเบยยุิกกวิริมบิขเรที่นี่มีโทรศัพท์ไหม இ ิ่งกุเเொ ல ை பேசி เปு க สิริกாิรดดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปเยน்กு ஒரு க ร์คா த เมรเைรอเทไวดิฉันอยากถ่ายรูปน้องพุกัยพัดม ட ு க ด க வ ก ர วิริม க ิกே ன ்ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมยิง่งกุดยึดม์แคมเมรอร์โอริกิร ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์เยนักวัวร์กรันนี้เทดิฉันอยากส่งอีเมลน้อนวัร์อีเมลอนันพอบีริบิขเรินที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมยิ่งก์กันนี้อีริกีรดาดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นเ ன นักวัวร์เปนอ ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อยนอนเยืดเองนุ่มยืดดวิริมบิขเรดที่นี่มีกระดาษและปากกาไหมยิงก์เพเปร์นุมเพนนอบมอิริกิระด๊า